บทภาชนีติกาปาติเทศนิยะไม่เป็นไข่พิชชณีสําคัญว่าไม่เป็นไข่ออกปากขอเนยสยมาฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะไม่เป็นไข่พิชชณีไม่แน่ใจออกปากขอเนยสยมาฉันต้องอาบัตปาทิเทศนิยะไม่เป็นไข่พิชชณีสําคัญว่าเป็นไข่ออกปากขอเนยสายมาฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะทุกๆุกก เป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นไข้ออกปากคอเนยสยสมชฉันต้องอบัตทุกฎเป็นไข้ภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากคอเนยสายไม้ฉันต้องอบัตทุกฎเป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นไข้ออกปากคอเนยสยไม้ฉันไม่ต้องอบัต